الأرض فإذا, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ج ِ ن َ ا ب ك ُ م ْ ل َ ف ِ ي ف ا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا و قرأنه فرَقْنَاهُ لِتَقْرَأْهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى م ُ ك ْ ت ٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا <ت ص في ق> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقر ونعوذ ََُ بالله َِِّ من ِْ شرور ُُِ أنفسنا ََُِْ ومن َِْ سجائات َ أعمالنا ََِ مَن ْ ي َ ه ْ د ِ ه ِ ا ل ل َّ ه ُ فلا ََ م ُ ط ِ ل َّ ل َ ه ُ وَمَن ْ ي ُ د ْ ل ِ ل ْ فلا ََ ه َ ا د ِ ي َ ل َ ه ُ أَشْهَدُ أَن ْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَأَصْبَحْنَا و َ ب ِ ك َ أ َ م ْ س َ ا ئ ن َ ا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ِ ك, ك م َ ط ت ُ أبو ُ ل ك بنعمتك وأ وأ علي وأبو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت ا ل l a h u m m a inni a'uzubika min s h السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ที ah? ่น้องที่ร่วมนมาศุกร์นมาศจารศิรักนักกับเราขอบคุณ Allah. ต้องโยงนะครับโยมชีวิตเราเนี่ยกับอ AH, ัลลอฮ์ในทุกๆในทุกๆรายการนมาจก็โยงกับอัลลอฮ์จะขอดุอาก็ต้องโยงกับอัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานาก็ต้องโยงกับอัลลอฮ์จะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องโยงกับอัลลอฮ์ให้หมด การโยงกับอัลลอ์เนี่ยดียังไงไอ้คาว่าโยงกับอัลลอ์เนี่ยอธิบายอย่างนี้หนึ่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮาแล้วก็อย่าลืมวิธีปฏิบัติต้องเอามาจากสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุวาลาฮูวส s a l ทำไมต้อง ต้องยึดสุนนะเพราะอะไรเพราะนาบีนมาอธิบายกุรานนบีมาอธิบายกุรานถ้าไม่เอาสุนนะนบีเนี่ยมากำกับมากำกับชีวิตเราเนี่ยอัลล์ไม่รับนะความดีที่ทำเนี่ยอัลลอ์ไม่รับจ่างเวลาเลอธิบายกุรานหรือว่าจะทำงานที่อัลลอฮ์สั่งในตัวทขาว่านาบี ทำยังไงนบีมุฮัมมัดเนี่ยทำยังไงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องโยงกับอัลกุรอานต้องโยงกับสุนนะของท่านนบีทั้งว่าโยงกับกุรอานโยงกับสุนนะนบีเนี่ยเราได้อะไรมีนเป็นความรู้จะต้องจำมันนะเราได้แปดข้อนะเก้าข้อ ได้เก้าข้อนะได้9ก้ารายการนะคืออธิบายอย่างนี้คือจะทำความดีอะไรก็ตามอย่านึกเองความดีเนี่ยนึกเองไม่ได้ต้องโยงกับใครนะโยงกับอัลกุรอานแล้วก็โยงกับสุนนะของท่านนาบดุีมุฮัมมสโลลัยบุษรังอัลลอ์ให้9ก้ารายการเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างส่วนใหญ่ไม่รู้นี่มีอุลามาฮ์มาอธิบายให้เราฟัง คนที่เอาทำความดีเนี่ยตามที่อัลลอ์สั่งนบีให้รูปแบบไว้เนี่ยได้9้ารายการได้ยังไงนี่อธิบายก่อนนะหนึ่งได้กับโลกดุนยาสองโลกอาคิรอได้อีกสได้กับเนี่ยเรีรยกอะไรอัลจิซิมเนี่ยร่างกายอ่าร่างกายเราดีอ่ะสังเกต ง, ง่ายๆนนะ คนที่เอาเอาคนนมาดก่อนนะยกตัวอย่างนมาดหนึ่งนมาดนี่ดุจยาก็ดีดุจยาดีอธิบายอย่างงี้อย่างก็อัลลอฮ์ส่งมเ ล, ลิกะมาจะมาเล่นงานเราเนี่ยนะพอมาเจอเรานมาดเยอะๆเนี่ยมเลกิกะถอยนะหรือหรือเราเนี่ยทำดีกับพ่อแม่มาตลอด เวลาอัลลอฮ์ให้ส่งมาเลกาจะมาเอาวิญญาณเราเนี่ยมาเจอเราทำดีกับพ่อแม่เป็นความดีที่ที่อัลลอฮ์สั่งนะม า, าเลกาก็ถอยร่วมกั น, กนเอาอยู่กันอยู่กันนี่นบีประมาต์เล่าเราฟังเป็นอย่างงี้นี่ ง, งานสามวันดีกับดุงยาไหมนี่ถ้าไม่รู้อยู่บนดุงยาเนี่ยยาวไปอีกระยะหนึ่งใช่ไหมเอาดีกับอาคิรอดเขาว่าอาคิรอดต้องนึกภาพอย่างงี้ อะคิเนี่ยเริ่มเริ่มตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยวันนี้เขาเรียกว่าอยู่บนโลกโลกโลกดุนยานะอาคิรอะเริ่มพอวิญญาณออกจากร่างพอนอนอยู่ในกุโบนั่นเข้าโลกอาคิรอดแล้วคายตายก่อนถึงอาคิรอดก่อนโดยเฉคนที่นมาศเนี่ยคนกระทาดีคาดีกับพ่อแม่เนี่ยอยู่ในอาคิรอดนี่อาสาไม่มี นามาดมันจะมายืนการด้านไหนนะด้านศีรษะนี่เห็นไหมอศาซาตนกูโบอโไม่มีนี่แค่นามาดกับทําดีกับพ่อแม่ทําดีกับพ่อแม่ไปการอยู่ด้านนะนะด้านเท้านามาดยืนอยู่ด้านด้านศีรษะและความดีอื่นๆดะที่ท่านนบีอธิบายไว้อธิบายไว้ยังนั่นดีบนโลกดุนยาดีกับอาคิเราอแล้วก็ดีกับบ อ, อดี้ร่างกายเราด้วย มีสามแล้วนะสดีกับวิญญาณของเราอัลลอฮ์เอาคุรานคำสัง่งอัลลอฮ์มาปฏิบัติเอาสุนนะนบีมาจำกับอัลลอฮ์ดีกับดุนยาดีกับอาคีรอดีกับร่างกายดีกับจิตวิญญาณแล้วก็ดีอะไรอีกดีกับการหารายได้ของเราคนที่ผูกพันอยู่กับศาสนาเนี่ยนะ จ ะ, จะหาฤสษีเข้าบ้านเนี่ยนึกนะนึกว่าไงฮารอมหรือฮารานจะ ก, กินอาหารขใส่ปา ก, ก็ต้องนึกฮารอมหรือว่าฮารานไปเจอถ้วยที่เขาล้างอยู่เนี่ยยังสงสัยว่าเอ้ถ้วยนี่มันสะอาดหรือเปล่าเนี่ยแค่สงสัยเนี่ยนบีว่าโสดไง อย่าไปยุ่งเลยอย่าถ้าสงสัยอย่าแตะถ้าหาเข้าไปแตะของที่สงสัยเท่าก็เท่ากับทำของฮารอมอิกยาว่าก็อาพิชุบุฮัตว่าก็อาฟิลทารอมถ้าหาเขาเข้าไปแตะสัมผัสกับของที่สงสัยว่ามันฮาร อ, รอมหรือมันทารานสะอาดหรือไม่สะอาดการแตะนี่การ น, นําเอามาใช้นี่ถ้าเป็นของทารอมนั่นยาทันอ่าทีนี้ข้อที่หึได้กับดุลยาที่สองได้กับ โลกอาคราิลอันที่สดีกับร่างกายของเราแล้วก็สดีกับวินจิตวิญญาณที่ห้าการหาไรายได้ที่หกการใช้จ่ายดีหมดเลยนะที่เจดีก็ส่วนตัวส่วนตั ว, วตัวเราเนี่นะเมื่อกี้ในรายละเอียด่นส่วนตัวข้อที่แปดนี่ดีก็ส่วนรวม ดีกับครอบครัวเลยห้ามดุเรียนเดอ่าสังเกตคนที่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาศ า, าสนาที่ผ่านนาบีนะอย่างกับฟาโรอยกตัวอย่างฟาโรคนเดียวพอนะฟาโรเนี่ยไม่เอาศาสนาผ่านนาบีมูซาและสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับมูซาเนี่ยมันทำลายอะไรดุนยาทำลายไหมดุนยาก็เสีย เสียยังไงอ่ะดูสิเก้า ข, ข้อที่นบีมูซาที่อัลลอฮ์ส่งผ่านนบีมูซาตะกะแตนมีใช่ไหมมีเลือดตากไฟไปเลือดหมดเลยแล้วมีกบมีเขียดตกัตกตักไปในนานไ่เจอเขียดเจอกบแล้วก็มีเหาทั้งว่าดุญญยา ด, ดีหรือไม่ดีไม่ดี นั่นพ่ฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าไม่ดูยาก็ไม่ดีออามาดูตอนตายฟาโร่ตายดีหรือว่าตายตายตายไม่ดีตายไม่ดีมดจมน้มตายเห็นยังอ่ะเอาแล้วนี่มาดู mm hmm. ย่าซำร่างกายของของของของฟาโร่เป็นยังไงไม่มีมันคนนั่นยต้องถูกยุงกดัดงูกดัดอะไรกัดพวกนี้ร่างกายจะดีได้ยังไง จิตวิญญาณของฟาโร่แน่นอนที่สุดไม่มีอะไรดีเลยเพราะว่าทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์กูจมใหญ่กูต้องอย่งงาน ง, ยงนั้นกูต้องอย่างนี้เสียหายหมดเลยรวมไปถึงจิตวิญญาณของเขารายได้ของเขาการใช้จ่ายของเขาอย่งางใช้จ่ายของฟาโร่เนี่ยแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ที่จ่ายไปเนี่ยเพื่อไปทําลายคําสั่งของอัลลอห์หมดเลยนะ มันต้องทำลายให้หมดนี่ยกตัวอย่างฟาโรอย่างเดียวคนที่ขวางคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามอารมณ์ตนเองทิ้งนบีทิ้งอัลลอ์เนี่ยนะบนดุนยาไปนี้มีแต่ปัญหาเดือดร้อนหมดเลยตายไปแล้วก็มีปัญหาจิตวิญญาณก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีรายได้ก็ผิดส่วนตัวสังคมครอบครัวอมาดูครอบครัวฟาโร ฟาโร่เป็นยังไงอ่ะเมียจะไปสวรรค์ผัวลงลงนรกใช่ไหมทำครอบครัวดีไหมไม่ดีอยู่บนดุนยาก็เหมือนกันก่อนที่จะตายเป็นยังไงอะ่ะฟาโรเอาหินทุ่มภรรยาตัวเองเห็นยังอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าภรรยาฟาโรเนี่ย อ, อีมานต่ออัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาอะลฮลมเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คือว่า คนที่เอาเอาอิสลามหรือเอาคำสั่งของอัลลอฮ์มาปฏิบัติมากำกับชีวิตนั้นทําให้หลายๆอย่างรอบตัวเขาดีหมดเลยชีวิตหลังตายก็ดีรายได้ที่ได้มาก็มีบรารักัดรายจ่ายจ่ายไปก็มีบรารักัดครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีดีหมดทุกอย่างเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่ง นี่เดือนละมาดอลจะมาแล้วก็อขอเล่าให้พวกเราฟังเล่นึงนะเพื่ออะไรค่า إيمان มันเข้มแข็งเรากะระมาดอลเรากะอัลกุรอานเราเราต้องคิดยังไงมันจะได้ไม่อยากจะไม่อยากจะขาดระมาดอลมาเนี่ยไม่อยากให้เดือนละมาดอลมันขาดไปแม้สักวันหนึ่งก็ไม่อยากให้มันขาดนอกจากเราไม่สบายจริงๆ มี อ, อุปยศมีความจําเป็นที่บวชไม่ไว้แล้วก็ไม่ต้องบวชทีนี้ให้เรารักรมฎอนแล้วคู่กับรมฎอนก็คือการถือศีลอดและก็คู่กับรมฎอนคือการอ่านอัลกุรอานนี่ที่เรานั่งอ่านกันอยู่เนี่ยแต่ที่บางคนอ่านอ่านกุรอานด้วยใจรักมีไหมมีบางคนอ่านกุรอานเพราะสามคมพาไป มานั่งกันเยอะอ่านกู่อ่านด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมใจเดี๋ยผูกพันเท่าไหร่เราใช่ได้ล่ะทนี้จะให้หัวใจเราเนี่ยผูก พ, พันกับคู่อ่านต้องนึกแบบนี้นึกภาพอาค์เคโรนึกภาพอาค์เคโร อ, อารอ์เคโรเนี่ยเป็นอย่างงี้นะนบีศอนเลยนะครับกู่อานเล่มนี้ คนที่อ่านกุรอานเล่มนี้อยู่เป็นประจำวันหนึ่งจะเป็นหนึ่งซูร์หรือหนึ่งหนึ่งยูสอะไรก็ตามอ่านด้วยความรักอ่านด้วยหัวใจอัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนว่ากุรอ่านเล่มนี้จะพูดในฮะดีสมีอธิบายชัดว่าคุรุอ่านเล่มนี้จะพูดเป็นทนายแทนตัวเรากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาต้าลา พูดว่าไงซาฟิอานีฟี่โอ้ Allah ให้ฉันเนี่ยช่วยคนคนนี้ให้ฉันได้มีโอกาสช่วยคนคนนี้เพราะคนคนนี้น่ะอ่านฉันตอนอยู่บนโลกดุนยาฉะนั้นอยากจะให้ความรู้สึกของพวกเราที่อ่านคุรานบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะให้นึกถึงตรงนี้ อ้อุรานนี่ช่วยเราได้กุรานที่เราอ่านครั้งนี้เนี่ยนะจะไปเป็นพยานกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้มีโอกาสได้ช่วยคนคนนี้ช่วยไปไหนช่วยเข้าสวรรค์นี่ถ้าระนึกภาพแบบนี้เนี่ยการอ่านคุรานของเรามันมีรสชาตินะ่ะมันก็อร่อยใช่ไหมถ้าอ่านก็ได้อะไรบนอ่านอ่านเนี่ย นึกภาพอาัคคีรอห์เยอะๆแล้วก็รามาฎอนก็จะมาอีกแล้วเนี่ยพอรามาฎอนมาพอเราถือสินอดเนี่ยรามาฎอนก็จะไปพูดกับอัลลอฮ์ไปเป็นทนายอะ่ะเพราะวันนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้พูดนะไม่มีสิท์พูดเลยนะอะไรพูดแทนรด้ไหมหนังพูดแทนมือพูดแทนเท้าพูดแทนแผ่นดินนี่พูดแทนเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเราถือสินอดอัลลอฮ์ว่ากัน ยิ่งนมาสด้วยอัลลอฮ์พี่น้องจะไปพูดแทนอัลลอฮ์ทั้งหมดเขาจะไปนเป็นทนายต่ออัลลอฮ์แก้ต่างให้เราทั้งหมดเลยนมาสก็เหมือนกันเอาดึงนมาสนิดหนึ่งก่อนจะเข้าตับซีสเนี่ยบางคนนมาัสเมื่อไรจะอิหมางจุกโก้เสีทีตุดอัดละเกินชาจ้าดูเลยต้องนึกภาพนี้ถึงจะนมาสอร่อยนะในวันเตียมะเนี่ย บนทุ่งมัรชัสเนี่ยวันเวลาของเขานะ่ะห้ามืนปีนะบางคนยืนรอที่จะสอบสวนจะอัล่อหน่ะเท่าไรนะห้ามืนปีเราก็ยืนแก้ผ้าที่ดูสิต้องนึกภาพ่าดวงอาทิตย์แค่์ไรแค่หัวถ้าเรานึกภาพอย่างนี้เราแค่ยืนนามัสการอาลอพวกเราเนี่ยถามว่าเคยไหม ยืนนั่มาธิเราก็อัดหนึ่งครึ่งชั่วโมงเคยหรือไม่เคยต้องถามตัวเองเออที่เราไม่เคยนั่งมาธเลยเนี่ยเราก็อัดหนึ่งครึ่งชั่วโมงไม่เคยเลยนั่มาธิแป๊เราก็อัดนี่เคยไหมสักสี่ชั่วโมงใช่ไหมนะอ่าวชั่วโมงละครึ่งครึ่งอะไรนะครึ่งลองอัดละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองเราก็อัดกันหนึ่งหนึ่งชั่วโมง แปดรวบระออจสี่กี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงถาว่าเคยไหมเดี๋ยวจะไปยืนอยู่ในทุ่งมาชัดนานเท่าไหร่นะหกหกมื่นปีห้ามื่นปีบางคนใน่ยยืนนานถึงพันปีเนี่ยท่้นใจว่าต้องผูกพันกับโลกอาคิโรนึกนาานึกถึงอาคิเรจะทำอะไรผูกพันกับโลกอาคิโรให้เยอะอัลลอฮฺอัลบมันจะมีรสชาติแต่นั้น กูรอานที่เราอ่านเนี่ยจะมีรสชาติว่าอร่อยอ่านแล้วอยากจะอ่านอีกหากความรู้จากอัลกุรอานหาความก้าใจจากากูรอานเนี่ยกุรอ่านจะไปเป็นทนายแทนพูดแทนอล朗ให้กูรอ่านนั้นได้ช่วยอนุเคราะห์คนที่อ่านอัลกุรอ่านรวมไปถึงรอมบอ้ด้วยนะครับจะไปยืนพูดกับอัลลอฮฺ سبحانه และุ์ คือน้องหลายคนอาจจะงวงว่าพูนอ่านพูดได้ยังไงคำตอบก็คือหนังก็พูดผิวหนังก็พูดแล้วก็เท้าก็พูดมือก็เป็นพยานพูดด้วยแผ่นดินพูดด้วยสิ่งที่พูดไม่ได้วันนี้อลอจะให้พูดได้บนเลยในโลกอาคึ้เราท่านนึกภาพนี้เยอะๆเนี่ยทำให้การทำความดีของเรานั้นนี้มีอัรถรส มีความอยากใช่ไหมจะไปช่วยเราอนุเคราะห์เราในโลกอาคียร์เราอามาดูกุรานนะครับพี่น้องอายะที่หนึ่ง้สมนะฟาอารอยาสตาฟิซฮุมินะล้อร์ฟา ن ا ه و แมมมั่งฮู ا กูอานเนี่ยสอนให้เราคิดนะกูอานสอนให้เราใช้ปัญญาอ้าวใช้ยังไงและเขาฟิราูนฟาอารอดและเขาฟิราูนเนี่ยอัยยะตาฟิซซาฮุมมินัลอาร์ิีปารธนาที่จะ ย, ย้ายที่จะไล่นบีมูซาแล้วก็ พวกบันี้อิสรลรีมทั้งหมดที่อีมานต่อนาบีมูซาเนี่ยออกจากประเทศอียิปต์นี่อัลลอฮ์เล่าเลยนะว่ากฟาโรุนะมีความต้องการอยากจะไล่นะครับใครนะมูซาและใครอีกคนที่อีมานต่อนาบีมูซามีเยอะมาเยอะสิวันนั้นวันที่โยนไม้ไม้ถือไปเป็นงูเนี่ยพวกไมายากล น, นี่เกือบหมดเนี่ย เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงนบีมูซาเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงก็มารับอิสลามมันเต็มไปหมดเน่ะทํำให้ฟาโรห์เสียหน้าแต่ที่มันก็การการปกครองน่ะนะกู้จึงการเมืองน่ะนะเอ๊มันรับมันเชื่อฝ่ายนุ้นไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่ายเราอยู่กับใครอ่ะก็เล่นเล่นงานไล่ไล่ไล่ไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ไม่ให้อ ย, อยู่ไม่ให้อยู่ในประเทศ อัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ให้นบีมูฮัมมัดฟังตอนนบีที่นครมะ ก, กาทำงานนี่นะเล่าให้นบีฟังเพื่อจะเตือนให้นบีรู้ว่าถ้าหากว่านาบีสอนศาสนาอิสลามที่นครมะ ก, กาถ้าหากว่าพี่น้องชาวมะ ก, กานี่นะไล่นบีมูฮัมมัดออกจากนกครมะ ก, กาเหมือนกับไล่ฟาโร ไล่นบีมูซาออกจากประเทศอียิปต์ผลของมันก็คือฟา อ, อักรกนาอูเราจะให้ฟาโร่จมน้ำตายและใครอีกว่มามามาหูจามีงาและคนที่อยู่ร่วมกับฟาโร่ทั้งหมดจมน้ำตายนี่เล่าให้นบีมุหม m มัดฟัง น, นบีก็รู้สิอ๋อ ขั้นคนที่ไล่นบีมูซาออกจากประเทศอียิปต์ถูกอลัลลอฮ์ลงโทษใครที่ไล่ฉันออกจากนครมากาก็ถูกลงโทษเหมือนกันนี่เป็นการปลอบใจท่านนบีแค่ท่านนบีมาจงห่วงทงํางานศาสนาทำตาไปเลยอลัลลอฮ์เป็นแบกอยู่แล้วทําไปทําไปเลยงานศาสนาทําไปถูกรังแกถูกการแกล้งถูกไล่ออกจากอะไรนะออกจากประเทศ เดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเองนี่ไงได้กำลังใจตรงนี้ทั้งหากนะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันวันนี้นะ่ะตั้งอย่าเช่นเราอยู่ในประเทศไทยในยกตัวอย่างแล้วก็ทํางานศาสนานะนะนี่อ่านกันกรอุลามะหมาดโคฟ่าเวลาเราก็สอนคน น, กก น, นั้นตักเตือนคนนี้ถ้าจะหากว่าศัตรูของอิสลามมาเกิดไล่มุสลิมออกจากประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ แบบพวกโรฮิงญาสูาา่ไหล่ออกจากประเทศพมา่าอย่างเงี้ยมันถูกทรมานนะถามว่าเบื้องหลังของการไล่มันอาจจะมีกระบวนการเมืองข้ามมาเกี่ยวข้องอะไรก็ตามถ้าคนที่ทํางานศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เหมือนนบีมูฮัมหมัดเหมือนนบีมูซาถามว่าอัลลอฮ์จะไม่ปกป้องเลยปกป้องครับปกป้อง เราะะนั้มือตรงไปครูกขอให้เราทํางานศาสนาอยู่บนดุนยานี้ให้เราโยงกับอัลลอฮ์เยอะไงจะนมาสการนึกถึงอัลลอฮ์จะถือบวชนึกถึงอัลลอฮ์จะทํางานหาริสกีเข้าบ้านนึกถึงอัลลอฮ์อยู่กับภรรยาที่บ้านนึกถึงอัลลอฮ์อยู่กับลูกนึกถึงอัลลอฮ์จะอบรมลูกให้นึกถึงอัลลอฮ์นี่ผมคุยกับหลานนี่นะผมสังเกตนะพวกอ า, อ า, อาวันนี้ จะสอนวิธีการนอนตามซุนนะนบีแล้วต้องการจะทดสอบความรู้สึกนะของล้านลูกๆนี่นะลุงโตมันเอาหลานเนี่ยนะเมื่อวานนี่หลานบอกว่านานานอนตามซุนนะนบีนอนอย่างนี้ใช่มั้ยโอ้เรานึกทันทีเลยอลมดูดิละควาลองนอนซิ ก็นอนเนี่ยเอามือจับแก้มขวาแล้วก็นอนตะแกงขวาก็าบอกนี่ตามนอนตามสุนทร น, นาบีใจไหมนอนตามนาบีใจไหมเด็กเนี่อยอายุแค่สองสามขวบเองฉะนั้นถ้าในบ้านเราเนะี่ยเอาที่เป็นแชร์จะเป็นโต๊ะเนี่ยพยายามโยงนี่นะคําพูดของเราแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยกับท่านนาบีให้หมดกับอัลละฮ์ให้หมดเช่นกินอาหารตามนาบี นอนตามนาบีอาบน้ํามนา ม, มาตามนาบีเข้าของน้ําตามนาบีเด็กมันติดติดทำด้วยเลยเลยเนี่ยถ้าเราถ้าเราสร้างอิสลามในครอบครัวเนี่ยบารัคัตในชีวิตเต็มไปหมดนะแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองว่าบารัคัตที่อัลลอฮ์ให้กับคนที่ผูกพันกับอิสลามผูกพันกับอะไรนะคําสอนของมูฮัมมัดเนี่ย อัลลอฮ์ให้บรารักัดเยอะไปหมดแต่บางคนมองข้ามบรารักัดอันนี้ไปนะอ่าสรุปง่ายๆฟาโร่เนี่ยไล่นบีมูซากับคนที่เชื่อนบีมูซาเนี่ยเป็นแสนในะวันนั้นนะ่ะไล่ออกนบีมูซาก็ออกอ่ะพอออกไปไปเจออะไรนะไปเจอทะเลอัลลอฮ์ช่วยนบีมูซาให้นบีมูซา เอาไม้จะพดเอาไม้ทาวตีน้ำโอ้ผมก็เป็นทางเดินมูซาก็พาพวกญาติพี่น้องตัวเองคนที่อีมานปลอดภัยลงทะเลฟาโรเห็นอมูซาลงได้ฉันก็ลงตามไปไงฟาอักราฟนาฮูเราได้ให้มูให้ฟาโร่นั่นจมน้ำตายจมกี่คนว่ามามาอูและคนที่อยู่พร้อมกับ ฟาโรทั้งหมดจะมีอันแปลว่าทั้งหมดเลยจะมีอันแปลว่าทั้งหมดเนี่ยเล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังฉะนั้นเราจะก็ได้ความรู้จากตรงเนี้เยอะมากเลยฉะนั้นคนที่ทำร้ายมุสลิมทำร้ายศาสนาอิสลามที่ผ่านนาบีมูซาหรือผ่านนาบีมูฮัมมัดอลัอลลอฮ์เรียนงานบทชะชาหรือไวเอามาดูนบีถูกไล่ออกจาก น, นครมักกะ เป็นบ้านเกิดของนบีมอมหดใช่ไหมใช่พอไล่ออกไปแล้วเนี่ยอ ล, ลอยังไม่เล่นงานพวกมักกะรอรอรอกี่ปีรู้เปล่าประมาณปีครึง่งบางรายงานบอกว่าสองปีครึง่งมีสงครามสงครามอะไรนะสงครามบั ด, ดัรแล้วก็ศัตรูเนี่ยใช้ทหารเท่าไหร่ส0มพันคนนบีมอมห์ใช้สหาบา สามรคนและมาทำสงครามกันใครแพ้สามพันแพ้สามรอ้อยคนชนะใครช่วยอลัลลอสุภานณหัวตาลาสเกตพี่น้องครับเนี่ยเจนี้คนหลายคนไม่รู้โอยนบีถูกไล่ไปแล้วต้องสองปีนะสองปีบางราย ง, งานว่าปีครึ่งหรือสองสองปีครึ่งอลัลลอเพิ่งจะเล่นงานลงโทษแล้วก็ต่อมาอีกแปดปี อัลลอฮ์ให้นบีมัมัดเข้าไปยึดนครมักกะอีกครั้งหนึ่งเห็นยังแล้วก็การยึดนครมักกะของท่านนาบีเนี่ยเหมือนกับอเมริกาไปยึดอิรักท่านมันงั้นรึเปล่าเปล่าเลยนะอเมริกาไปยึดอิรักเนี่ยไปฆ่าประชาชนตาเท่าไรตอนนี้ก็ยังฆ่ากันอยู่และไปเอาไ่เอาน้ํามันเข้าอะไรเข้าแต่นบีไปยึดนครมักกะเนี่ยเอาอะไรออก เอารูปจาเวศออกจากนครมักกะซิกะบะ์เท่านั้นเองแล้วก็ข้าใครหรือเปล่ามีอยู่หกคนอันจากขดิษนะมีอยู่หกคนที่ท่านนาบีสั่งจัดการเลยมีหกคนเป็นผู้หญิงผู้หญิงสี่ผู้หญิงสี่ผู้ชายสองนะครับ แล้วก็มีอยู่คนนึงรับอิสลามอัอครีมาเนี่ยหนีไปนบีวะไปจัดอัครีมาเลยแต่อัครีมาเนี่ยหนีจากตะคอนมักกะวันที่นบียึดกึดกาบ้านเนี่ยลงลงไปในเรือพอลงไปในเรือเสร็จแล้วก็ในเรือเนี่ยมีพายุมาพอพายุมาแรงๆครับคนในเรือนี่พูดกันหมดว่า พวกเราช่วยกันขอพรอต่อ Allah ขออุอายต่อ Allah คนอื่นช่วยไม่ได้อัครีมาเนี่ก็ได้ยินคนในเรือนี่ให้นึกถึง Allah อัครีมาเ น, นี่ยนีจากมักการมาเพราะ Allah นี่แหละมีว่ามาเชิญให้ไหรนะเชิญชวนให้อิหมานต่อล l l a h องเดียวหนีจากมาักการเรื่อง Allah มาเจอล l l a h ในเรืออีกแล้วคิดเอง ถ้าอัลลอฮ์คุ้มครองคนไม่ให้จมน้ำตายในเรือและบนบกอัลลอฮ์ก็คุ้มครองได้ก็เลยกลับนะกลับไปก็ไปเข้าเฝ้นานบีก็เลยรับอัลอิสลานนี่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนี่ถ้าเราจดจำเนี่ยนะมันจะทำให้อีมานของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ, นเอาผ่านไปสุดลงว่าอายานี้สอนว่างไงนะ ให้กำลังใจท่านนาบีบอกว่าใครที่ไล่นบีมูซาและคนที่อิมานต่อนบีมูซาออกจากประเทศอียิปต์คนที่ไล่นั้นจะถูกลงโทษให้จมน้มตายและจมจริงไหมจมจริงๆวันนี้อยู่ในกัมีอัลกุรอานและศพของฟาโรห์ยังอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วศพไม่เน่าอัลลอฮ์เล่าในกัมีอัลกุรอานบอกว่าอัลยามานูนัดจีกะบบดานีกะวันนี้เราเพียงแต่รักษา ร่างของฟาโรเอาไว้เท่านั้นเองไม่ให้เน่าเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์บทเรียนกับคนรุ่นหลังต่อไปออาต่อมาอายาที่หนึ่งรอยสี่นะ <c oughs> <S <S วากูลนาเมมบัดเฮลิบันิอิสราอีลวากูลนาและเราได้กล่าวแก่วงวานอิสรา อ, อีล หลังจากข้ามข้ามอะไรนะข้ามทะเลแดงไปแล้วอลัลลอฮฺกราบกับบันิอิสรา อ, อีนมิมบาดีฮีหลังจากหลังจากเขามาถึงหลังจากฟาโร่จมน้ําตายหลังจากพรรคพวกของฟาโร่จมน้ําตายว่าอุสกูนูบันิอิสรา อ, อีนเ อ, อ๋ย ที่อิมาาตัวะนบีมูซาเนี่ยบอกว่าไงอุสกูนูอัลอารบะท่านทั้งหลายจงอยู่ในแผ่นดินนี้คือให้กลับมาอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ให้ใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ฟะอิราจาอาวะดุลอาคิราติจินาบิคุมลาฟีฟา ดังนั้นเมื่อสัญญาณแห่งวันอาคิระมาถึงเราก็จะนำสูเจ้าวาดุลอาคิระหมายถึงสัญญาณของโลกอาคิร์มาเนี่ยเราก็จะนำสูเจ้าทั้งหมดรวมด้วยกันออกจากหลุมฝังศพไปยังทุ่งมัชช เดินรวมกันไปทั้งหมดรวมทั้งมุมินและคนกาเฟตรวมทั้งคนดีและคนชั่วไปพร้อมๆกันที่อตรงมาชัดอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้หลังจากบันอิสรอินเนี่ยปลอดภัยจากการจมน้ำฟาโร่จมน้ำตายและ อ, ล อ, อ, อัลลอฮ์ก็บอกกับพวกบันอิสรอินบอกกับบีมูซาบอกว่าเนี่ยจงให้พักพวกของคุณน่ะอยู่ในประเทศอียิปตินาะ ใชชีวิตอยู่ที่นี้แหละทํามาหากินเปนอยู่กันตรงนี้แหละเจ่ะไหมจนกระทั่งตายนั่นแหละเราก็ฝังกันตรงนี้แหละเจ่ะไหมในวันกิยามะเนี่ยในวันอาคีรอเนี่ยเราจะให้คนที่ที่ตายเนี่ยอยู่ในประเทศอียิปต์เนี่ยนะบนรรดาอิสรอเอลทั้งเป็นคนดีหรือคนชั่วอะไรก็ตามอัลลอฮฺจะให้ฟื้นขึ้นพร้อมๆกันในวันนู้น แล้วก็เดินทางจากประเทศอียิปต์ไปที่ทุ่งมัชชันี่เอลเล่าเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังหรือเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้เอา้าอ่าวันนี้กูบโบกของเช็ดอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่หมหเนี่ยตรงนี้เนี่ยญาติพน้องเราก็ฟังอยู่ตรงนี้แล้วเราเองอาจจะต้องฟังตรงนี้ไม่รู้จะฟังที่ไหนยังไม่รู้นี่นะนี่ต้องการจะบอกว่า ที่กูโบนมันมีทั้งคนดีและคนชั่วใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วนะแต่บังเชิญชวนให้ทุกคนทําทําทําความดีวันกิยามะเนี่ยทุกคนจะต้องฟื้นขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินไปที่ทุกมาชัดพร้อมๆกันแสดงว่ากุรานต้องการจะเล่าว่าตายแล้วตายเลยหรือว่าต้องต้องเกิดต้องเกิด ไอการเกิดใหม่นี่นะมันเรื่องใหญ่นะเพราะคนบนโลกนี้นะครึ่งกว่ามีประมาณเจ็ดพันล้านนะครึ่งกว่านี่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นพี่น้องชาวพุทธเราเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นมีพี่น้องมุสลิมเราก็จํานวนไม่น้อยที่อิมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยแต่มันนึกไม่ถึงว่าตายฟื้นจริงหรือเปล่ามีภาษาอยู่ พูดอยู่คำนั่นใช่ไหมถ้าวันชาติหน้ามีจริงนี่ผู้าพูดทั้งหมดนี่นแหละคนแขกพูดทั้งนั้นแหละถ้าวันชาติหน้ามีจริงนี่โอ้สแสดงไอ้เองยังไม่เชื่อเนี่ยถ้าไม่เชื่อวันอาคิร่อนนะการอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ขาดทุนตายก็ขาดทุนอยู่ในสุสานก็ขาดทุนฉะนั้นถ้าไม่เชื่อโลกอาคิร่อนอย่างเดียวเนี่ยนะ การทำความดีของเราเนี่ยไม่อร่อยเลยนะ่ะยืนนมาตอรวีก็ไม่อร่อยอ่านกุรานี่ก็ไม่อร่อยอ่านแล้วได้อะไรอ่ะอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อโลกอาคิอระนนะอ้าวเชื่อว่าไงนะเชื่อว่ากุรานพูดได้เชื่อว่าอะไรนะรอมฎอนพูดได้เชื่อวันผิวหนังเราพูดได้เชื่อว่าเท้าพูดได้มือพูดได้ เราจะกล้าทําความผิดไหมไม่กล้าทําความผิดเพราะเรากลัวตลอดเวลาจะนมาเ ก, กี่มีรสชาติอร่อยกลัวจะถือบวชกว็อร่อยจะทากกําบาปก็กลัวพี่น้องไอ้ความกลัวโลกอาคีร้อนนี่นะทาให้อีหมานของเราเข้มขึ้นตลอดเวลาอาจจะนั้นอลัลลอฮ์เล่าในคัฟิรกคุรานบอกเราได้กล่าวกับวงวานของบานีอิสรออีน หลังจากที่ฟิลิปปินสจมน้ำตายไปแล้วอ่ะพวกคุณนะ่ะทํานักอยู่ในประเทศนี้แลหละใช่ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แหละตายกันตรงนี้แหละทํามาหากินกันตรงนี้แหละถ้าตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาทั้งคนดีและคนชั่วจะต้องเดินไปพบอัลลอฮ์ที่ถุงมาชัดรวมไปถึงนบีมุฮัมมัดด้วยเหมือนกันมุฮัมมัดเอ๋ยคุณถ้าถูกไล่าจากนครมาการ์ก็ไปไปอยู่นครมาดีนนะ เดี๋ยวไม่ช้าคุณก็จะกลับมาอยู่มักกะเหมือนเดิมนั่นแหละได้มาปกครองเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าจะตายก็ตายกันในนครมักกะนี่แหละหละักษางกันตรงนี้วันอาคิรอคุณก็จะได้ฟื้นจากนครมักกะเดินบฏิทิน ม, มาชาติเหมือนกับพวกนบีมูซาเหมือนกันภาพเดียวกันหมดเลยอัคดาเดียวกันเชื่อเหมือนกันนะอ้าต่อมาครับพี่น้อง อายาที่เท่าไร น, นะหนึ 105. ่งรอยห้าอายาที่หนึ่งร้อยห้าเนี่ยต้องการจะบอกอย่างงี้ความรู้ของอัลลอฮ์อยู่ในคัมภีร์กุณอ่านหมดเลยเนี่ยกุณอ่านเดี๋ยเราถืออยู่นี่น่ะนี่เป็นอะไรเป็นโนเล l เป็นความรู้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะให้มนุษย์รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ย ต, ต้องการจะเผยให้อมนุษย์รู้ ถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะเผยให้รู้เนี่ยเรื่องสําคัญสําคัญสําคั ญ, คญเรื่องดีๆหมดเลยความรู้ที่อัลลอฮ์เผยผ่านนาบีมุฮัมมัดนั้นอยู่ในคัมภีร์กุรอานหมดเลยเอา้าอัลลอฮ์ต้องการจะบอกอย่างนี้ให้มนุษย์เนี่ยรับรู้เรื่องราวต่างๆและหลักการต่างๆข้อห้ามต่างๆข้อใช้ต่างๆอัลลอฮ์บอกผ่านนาบีมุฮัมมัดให้รับรู้ต้องการจะบอกว่า อัลลอ์เนี่ยจะไม่ลงมาสอนมนุษย์เองแต่จะแต่งตั้งนบีมูฮัมมัดให้ทาหน้าที่แทน Allah อัลลอฮ์บ ب าน ن ه แวะต์ุาลอะดุลกุรอานว่บิลฮักอันซัลนาฮุว่บิลฮักนซัลและเรา และด้วยความจริงไม่หักจะบอกว่าด้วยความจริงอนเจรนาหูเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและด้วยความจริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเราเรียกว่าไงอ่ะประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยเป็นความจริงเขาเรียกว่าเป็นวาฮีที่ประทานลงมา เรียกว่าเป็นวะฮีและอีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นมูอิจิศาส์ทำไมอัลลอฮ์เล่าเรื่องนบีมูซาแล้วก็เล่าเรื่อง9ก้าข้อของนบีมูซาเล่าเรื่องฟาโรจมน้ำตายพอเล่าจบมาเล่าเรื่องกุรานอีกเพราะอะไรเพื่อจะให้มนุษย์เนี่ยใช้ปัญญา เล่าเรื่องนบีมูซาเนี่ยเรื่องราวนี่มันเกิดก่อนนบีมอมัตหลายพันปีนะแล้วก็มาเล่าเรื่องกุรานมาเล่าเรื่องวาฮีคุรานลงให้ท่านนาบีมอมัตหลังจากนั้นพันสองสามพันปีเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์ต้องการให้พวกเราในใชาติปัญญานะไม่ต้องการจะให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ให้นึกเยอะๆอ๋อนึกนบี ม, มุฮัมมัดแล้วนึกถึงนบี ม, มูซาใช่ไหย อัานประวติศาสตร์เนี่ยต้องการจะเตือนเราให้อัานประวศาสตร์เยอะๆนั้นนี่นอุลามะตับซิดอธิบายดีนะว่าบิลฮั ก, กอันเจลนะแต่โดยด้วยความจริงเราไปประทานอัลกุรอานลงมาเป็นความรู้ที่สะอาดนี่อธิบายนอกความรู้ที่อยู่ในการปีกุรอานเป็นความรู้ที่สะอาดอธิบายสะอาดว่าไงเพราะไม่มีความคิดของมนุษย์ เจอปนอยู่ในคำทีอัลกุรอานแต่ต้องการจะอธิบายอีกว่าโลกดุนยาใบนี้และมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เดินตามอัลกุรอานทั้งหมดและกุรอานที่ประทานลงมาก็เป็นความจริงไม่ใช่โกหกเพราะว่าวันนี้นะพวกเราเองนี่นะไม่เชื่อกุรอานนะไม่ก็เชื่อกุรอานเท่าไหร่แร้วอย่างกุรอานห้แม่ทำสีนาเนี่ย คนที่แอบไปทํามีไหมถามว่าทํำสีนาเนี่ยยากหรือง่ายยากยากกว่าจะทํำสีนาต้องวางแผนใช่ไม่ใช่กว่าจะทํำสีนาเนี่ยต้องนัดแนะกว่าจะทํำสีนาต้องมีสตางนี่รู้มาถึงลูกๆเราเลยนะที่หนุ่มๆสาวๆเนี่ยใช่ไหมถ้าเราอธิบายในบ้านเราอะอย่าทํำสีนานะ มันจะเข้าหูชินใช่ไหมมันจะได้เตือนตลอดเวลาแค่นั้นต้องการจะบอกว่าพ่อแม่นี่นะเอาคุรานมาอธิบายให้ลูกฟังได้เลยไม่มีปัญหาเพราะอะไรนะพ่อเป็นความจริงที่เอาลอปทาลงมาแล้วก็ของที่เอาลอเล่านะกัีกุรานทั้งมดเป็นความจริงทั้งหมดแต่ว่าเราบางที ชายปัญญาไปไม่ถึงตอนนั้นเองอยู่ที่สติปัญญาของเราตอนนั้นเองนะเอาต่อมาครับว่าบิลฮักตีนาซัลและด้วยความจริงเราก็นาซัลแล้ว่าวประทานลงมาต้องการจะบอกว่าเราเนี่ยนะ อันซาลาเนี่ยอธิบายอย่างนี้อันอันซลากับนาซาลาเนี่ยแปลไม่เหมือนกันนะอันซาลาว่าว่าประทานลงมาเป็นครั้งเป็นคราวประทานลงมาเป็นครั้งคราวคือกุรานเี่นะไม่ได่ประทานลงมาทั้งเล่มสามสิบยุษพิมมาจากโรงงานบนทองฟ้านี่ไม่ใช่นะทยอยลงมาตามแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น ทีละส0บอายาบ้างร0อยอายาบ้างหนึ่งอายาบ้างสามอายาบ้างสองอายาบ้างค่อยๆประทานลงมาตามเหตุการณ์จะเกิดขึ้น mm hmm. วบรักกิอันเจลนาหูวบรักกินาเจลและด้วยความจริงที่การวุบจะอัานกลอ่าลงมาเป็นระยะระยะเป็นครั้งคราวลงมาจากอัลลอฮ์รวมเวลากี่ปีอีกคำอธิบายนะย3สิบสามปี อาตอมากับข้ามาอารซาลนากะอิลลามุบัชซิรอ้วะนาซิรอและเราไม่ได้ส่งนบีมุ hammad มาเพื่ออื่นใดนบมี ม, มุ h ม m m a d นี่อัลลอฮ์ส่งมานะไม่ใช่มาเองนะทำหน้าที่กี่รายการ มุบัชชิรอนผู้แจ้งข่าวดีสองวานาซีรอนเป็นผู้ตักเตือนออลฮัมด al ุลิลละมาแจ้งข่าวดีกับตักเตือนนบีมาอธิบายให้ฟังฉะนั้นอะไรที่ออกจากปากนาบีมุฮัมมัดนี่เป็นเรื่องดีหมดเลยเป็นแจ้งข่าวดีแล้วก็มาเตือนด้วยอ้า มาดูข่าวดีที่น บ, บีนําเอามาสอน ส, ส, สักสักเรื่องหนึ่งนะน บ, บีสอนอย่างงี้มีอยู่คืนหนึ่งน บ, บีนอนฝันนี่คำอธิบายนะน บ, บีนอนฝันพอตื่นขึ้นมาน บ, บีนําเอาความฝันเนี่ยไปเล่าให้ซุฮบบาบะฟังน บ, บีอธิบายบอกว่าฉันเห็นน่ะคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาไปช่างตาช่าง พอนึกถึงตาช่างเนี่ยเราก็งงเหมือนกันเอ้ยความดีความชั่วเนี่มันช่างได้เลยวันนี้ที่เราช่างอ่ะเราช่างผลไม้ใช่ั้ยช่างส้มช่งมันแก้วช่างเป็นกิโลกิโลกิโลที่ร้านอ่ะแต่ไอความดีความชั่วของเราเนี่ยมันช่างไม่ได้แต่ในวันเกียรมะอัลลอฮจะช่างความดีและความชั่วของเราให้คนเห็นหมดเลยอ่ะเอา การยูซุไปยืนช่างคนเห็นนะ่ะเห็นทั้งทั้งหมดเลยน่ะมัเสียหน้าเยอะนะ่ะถ้าตาช่างในี่มัความดีมันหนักเนี่ยทำอยู่เลยแต่ถ้าความชั่วมันหนักอนะ่ะเสียน้าอายคนน่ะอายเยอะนะ่ะที่น บ, บีเล่าบอกว่าฉันเห็นคนคนหนึ่งน บ, บีฝันนะ่ะ คนคนหนึ่งเนี่ยไปยืนบนตาช่างของเขาประโถดว่าไอ้ความทั่วนั่นมันเยอะความดีนั่นมันเบาตาช่างความดีเนี่ยมันเบาจะทำยังไงจะให้ตาช่างความดีเนี่ยมันเพิ่มมันหนักขึ้นอา้าวลองถามตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยมีลูกลูกตายบ้างไหมมีลูกตายเป่า ตอนอยู่บนดุญญนยะน่ะนีอย่างคุณมีลูกเจ็ดคนเนี่ยตายกี่คนตายตอนเด็กเล็กๆอ่ะมีลูกตายหรือเปล่าต้องนึกภาพนะคนที่ลูกตายเนี่ยเสียใจไหมน่ะรอเสียใจมาก ย, ยังสุดๆเลยนะ่ะไอเมียตายไม่เกี่ยวเอาลูกตายนะที่นีนะ่ผมนึกถึงพม่าอยู่คนนึงเนี่ยนยี่อยู่ในตอนอยู่ในคอมเพตเนี่ยมัน ลูกตายอ่ะเอาล่ะลูกอายุตั้งหลายสัสิบสองขวบยี่สามขวบเนี่ยเสียใจสามเดือนอ่ะแม่เสียใจสามเดือนนี่บ้านอยู่ตรงที่บ้านสนใจอ่ะบ้านคุณแค่แค่บ้านคุณมันสมใจของโซฟาเนี่ยลูกตายจะเสียใจสามเดือนแม่ผมถามว่าทําไมเสียใจนานเหลือเกินล่ะความรักความความความความผูกพันน่ะ ถามว่าคนที่เลี้ยงลูกและลูกของเขาตายจากไปขณะที่ลูกยังอายุเจ็ดขวบเก้าขวบสิบขวบเนี่ยเสียใจไหมเสียใจอ่ะถามว่ารางวัลจะไม่มีเลยหรือมีครับมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นบีถามบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับนบีนบีเล่าบอกว่ า, วาคนคนนี้ตาช่างในวันเกียร์มากความดีนมันเบาความชั่วนมันหนักถ้าหากกว่า ลูกของเขาตายพอลูกตายปั๊บผ ล, ลบุญที่ลูกตายนั้นทําให้ตาช่างเบานั้นหนักแทนทีเห็นยังนั่นภาพอาครอก็ต้อ ง, ตงนึกเยอะๆแตนั้นคนที่ลูกตายก็เสียใจกนเสียใจแต่รางวัลมีไหมโอโ๋อๆมีรางวัลเยอะมากเลยถ้าลูกรางไม่ตายอย่าไปบีบจมูกให้มันตายก็แล้วกัน นั่นลูกเราไม่ตายดีไหมดีเอาไว้ดูแลลูกให้ดีอย่าให้ลูกติดยาเสพติดให้ลูกอ่านกัรอ่านให้ได้ให้ลูกน้มาสเป็นให้ลูกมีาศาสนายิ่งลูกที่เข้าใจาศาสนาพ่อตายขอดูอาให้เราได้ไหมเวลาดุนซ้อนเรกหุ่นยนต์นะโอลาหูเนี่ยผมหลอจะให้ลูกเป็นคนดีในยุคนี้ต้องลงทุนนะผมเสียตามเยอะนะเพื่อจะให้ลูกมี إ ي م านมีาศาสนา มันเกี่ยวโยงกับโลกอาคริลทั้งหมดเลยเลยอ้าวต่อมาครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนบีฝันนะฝันนะฝันนะฉันเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่บนสะพานสิรอดที่จะข้าเข้าไปสวนสว น, สวนสวนสวรรค์นะเห็นยังไงยืนตัวสั่นดึกดิบดิด ด, ด, ด, ดอยู่บนสะพานนะ อีกรายงานหนึ่งมีอยู่สามทนะ่าหนึ่งตัวสันสองคลานคลานแบบสันสันเนี่ยแล้วก็อีกทา่าหนึ่งโหนทั้งสันทั้งคลานทั้งโหนอยู่บนสะพานซีรอตที่จะเข้าไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยน บ, บีก็สงสัยสเนี่ยแต่ว่าความดีของเขามีไหมล่ะ อยู่บนดุนยาที่เขาทามาไว้เป็นความดีมีไหมความดีนั่นก็คืออะไรรูกไหมฮสุฮสตุรนฮุสตุรนแปลว่าคิดดีกับ Allah คิดดีกับ Allah อาคิดดีอธิบายยังไงออย่างบางทีเราเนี่ยถูก Allah ทดสอบให้อะไรอ่ะให้รถเราเนี่ยถูกชนยกตัวอย่าง ตอนถูกชนปั๊บเนี่ยเราต้องคิดดีนะอัลลอฮ์ทดสอบเราห้าต่อมาอย่างนี้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์เราพอใจกับการทดสอบครั้งนี้แล้วก็ต่อไปอีกอิกนนาลิลลาฮิตวายินนาอิลัยอิราจิอูนนี่อัลลอฮ์เอาเฉพาะรถกลับไปตัวยังอยู่เห็นไหมนี่ก็เราคิดดีกับอัลลอฮ์อง แล้วก็ตอบอีกอัลลอฮุมะจุรนีในมุสีบตีวัคลิฟลีข่ายร์มินห์ขอดุอาอุอัลลอฮ์โปรดตอบแทนของที่ดีมาแทนรถคันนี้ด้วยเถิดอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ในบาระอยู่ในการทดสอบของอัลลอฮ์แต่ไม่ลืมอัลลอฮ์คิดดีกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาอบ้านไฟไม่ยกตัวอย่างสนใจตุต่ตยมัมโซ่เนี่ย ถ้าไฟกำลังไหม้บ้านเราอะ่ะจะให้การไหม้นี้มีผลบุญช่วยเราด้วยในวันอาคิรอต้องนึกภาพไหนเนี่ยเอาเรทดสอบกันหมดเลยเสื้อผ้าตรงตังอยู่นั่นเอาออกมาจันไหม้หมดเลยต้องนึกดีกับอัลลอ์ให้กล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลแล แล้วก็คุยต่ออีกอินนาลิลลัฮิวะอินนาอิลัยฮิราะิอูนี่อัลลอฮ์เอาบ้านไปอย่างเดียวบ้านเง่นั้งห้าแสนตั้งล้านหนึ่งอะไม่มีปัญหาอัลลอฮ์เอาไปแต่ตัวเรายังอยู่ยังมีโอกาสทำอามันอิบาดดัตได้แล้วขอนาต่ออีกอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะตีวัคลิฟลิขายรัมมินนี่เราเรียกว่า ah ุสนุนนี่คิดดีกับอัลลฮ์คิดดีกับอัลล์ช่วยเราได้ ขณะที่เราเดินอยู่บนสะพานนั้นสามท่านี่ไม่มีรูไม่ท่าอะไรท่าสันท่าคลานท่าโหนไม่มีบอกว่าก่า น, นเรื่องดุญยาทั้งหมดถ้าเราจะทดสอบใครให้เป็นอะไรก็ตามถ้าเราอ่านฮะ ด, ดีษเยอะๆเราจะสบายใจอัลฮัมดุลิลละถามว่าลูกนบะีมุฮัมมัดตาตอนเลี้ยงมีปะ มีลูกผู้ชายนาบีเสียชีวิตตอนเลกๆหมดเลยใช่ไหม อ, อย่างนี้ไปช่วยนบีได้ไหมแน่นอนที่สุดช่วยครอบครัวนบีใช่ไงมล่ะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นกับเราดีหมดที่ถ้าเราคิดไม่เป็นอ้าวมาพูดด้วยกันคิดคิ ด, ค, ดคิดไม่เป็นนบีสอนอย่างงี้คนที่ถูกทดตอบจากอัลลอฮฺ ให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะถูกทดสอบจากเอาล้อให้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนอะไรเหมือนกับเราเนี่ยเลี้ยงแพ้เราเนี่เป็นเจ้าของแพ้เห็นแพ้มันเดินอยู่เนี่ยเราก็เอาแพ้นั้นมาล่า ม, มาผูกคอแล้วก็เอามาเข้าคอถ้าเราถามแพะ้นะแพ้มันไม่รู้ให้ ว่าเอาเรื่อ ม, มาล่มทําไมแค่มันตอบได้ไหมไม่ได้เราเองก็เหมือนกันเมื่อเอาลอตทดสอบให้เจ็บไข้ใดป่วยถ้าเราไม่ได้ประโยชน์ได้ข้อคิดจากการที่เราไม่สบายเราก็ไม่ต่างอะไรกับไรนะแพ้ <laughs> นี่นะบีสอนเนีเราใช้ปัญญาฉะนั้นมุสลิมบ้าความเดือดร้อนที่มาประสบกับเราทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเสียหายเลยดีทั้งหมดเลยนะ อ๋อพี่น้องฉะนั้นอ่านหะ ด, ดิษเยอะๆผูกพันกับอัลกรุรอานถามนบีมุฮัมมัดนะเคยเป็นไข้ไหมเป็นเคยปวดหัวไหมเป็นนะบีเคยถูกสัยสารเล่นงานไหมเคยไม่รู้เรื่องรู้ราวงง ง, งอยู่นะ่ะเป็นนาทิตย์เป็นเดือนเคยไหมเคยนะบีลูกตายมีไหมตายตายมีภรยาตายมีไหมมีนะบีวางตัวยังไง เอาสุนัขนาบตีตรงนี้มาใชา้ในชีวิตประจำวันของเราและอินชาอัลลอฮผลละบุญในโลกอาคีร์มีหมดเลยนะครับเอานี่แค่สองสอ ง, สองตัวอย่างน ะ, อะเอานาบีมุฮัมมัดอธิบายเรื่องมุฮัมมัดนะ <c oughs> เรื่องมุฮัมมัดนะฮ <c oughs> ุบิลฮักย์อันซัลนะฮุบิลฮักยีนซ นี่น่ะล่อัลลอฮ์ส่งคุรานมาเป็นเรื่องจริงแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยเอาไปคุยเมื่อไหรเมื่อไร่ก็คุยเหมือนกันหมดเลยอันนี้มาดูนบีมุฮัมมัดสอนอย่างนี้นบีเคยถามอัลลอฮ์นะเนี่ยนอกรายการนิดนึงนะนบี ม, มาถามอัลลอฮ์นะถามว่ายาอัลลอฮ์อิ ต, ตะข้ตะอิบรอฮีมาคอลีละ อัลลอฮ์เนี่ยเอานบีอิบรอฮิมว่าเป็นไรนะเป็นคอลิลอ่าเป็นคอลิลลอห์อัลลอฮ์เอานบีอิบราฮิมมาเป็นมิตรของอัลลอฮ์อ่าวกัลละมัลลอห์มูซาตะกลีมาแล้วก็นบีบอกว่าถามอัลลอฮ์ว่าแล้วอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีมูซาเนี่ยคืออัลลอฮ์เนี่ย ตัดกับนบีมูซาตรงๆพูดกับนบีมูซาแต่ตั้งให้นบีมูซาไปเป็นนบีเอาไปสอนศาสนากับฟาโร่นั่นเป็นความดีนะข้อที่สามนบีถามว่าวาสคัตตะลิสุไลมานริยาหันแล้วก็มอบให้นบีสุไลมานเนี่ยลมคือให้นบีมูซานบีสุไลมานเนี่ยคุมลมได้ สมัยก่อนเนี่จะไปไหนมาไหนเนี่ยขามีแท่นนั่งอยู่พอนั่งบนแท่นภาพนี่นะนบีสุลมานสั่งอา้าลมยกแท่นเนี่ไปมึงก็ลอยไปอย่างนี้แท่นเครื่องบินเครื่องบินไม่มีสมัยก่อนเนี่ยมานาบีสุลมานคุมลมได้แล้วถามต่อไปอีกว่อาอัยัยดาลลอีซาอัลเมอตแล้วก็ให้นบีมูอีซาเนี่ย ให้คนฟื้นขึ้นมาจากตายแล้วพูดได้แล้วก็ตายต่อสามสี่รายการเนี่ยให้กับนบีอิบราฮิมให้กับนบีมูซาให้กับนบีสุไลมานให้กับนบีอีซราฟามาซาจาอันตล์ลีและฉันละ่ะอัลลอ์ให้อะไรกับฉันนั่นนบีมูฮัมมัดถามอัลลอฮ์อัลลอ์ตอบว่าไงรู้ไหมก็จะอาตายตัวอัฟล มิงคุลิาลิกฉันมอบให้กับท่านนะ่ะดีกว่านาบีท่านอื่นๆสามสี่ท่านที่ท่านอ้างมาทั้งหมดฉันมอบให้กับท่านดีกว่านัานอีกอา้าวให้อะไรละอิละฮ์อิละลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลลอห์เลาเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ตามด้วยมุฮัมมัดดูตัวอักษรดูสิ ละอิละฮะอิละลลอออัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วก็มุฮัมมัดอัลลอฮ์กับมุฮัมมัดคู่กันปล่าตัวเขียนคู่กันจนกระทั่งถึงวันเสียมาไม่ได้ให้เป็นเงินเป็นทองไม่ได้ให้เป็นบ้านไม่ได้ให้เป็นวัตถุแต่ให้เป็นอะไรให้คนได้ชมอัลลอฮ์ว่าละอิละฮะอิละลลออัลมุฮัมมัดอดุลลุลลอฮ์ให้ดีกว่า ทุกนบีท <usted shelf> ี是是่ผ่านมาทั้งหมดเห็นยังฉะนั้นเราเนี่ยอย่ามองวัตถุอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองอะไรนะมองวิญญาณเราด้วยใช่ไหมสะอาดบริสุทธิ์เห็นอย่างนี้รอราลาให้กับนบีมุฮัมมัดสุลลัลในอุบัติละเอาต่อมาอายะสุดท้ายวะกุรอานันฟารักนาฮุลิตะกรออฮุอัลันนาสอัลามุ ว่านั่นจนัตัน zilla ละอัลกุรอานว่ากุรอานันฟรอกนาหะอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะเราได้แยกมันไว้ยอย่างชัดเจนแยกแยกอธิบายยังไงแยกอย่างนี้หนึ่งกุรอานเนี่ยแบ่งเป็นยุสแบ่งเป็นซูรอ มียคยูสกุรานเนี่ยสาบยูสชาบาเรียกว่ายุ30สิบยูใช่ไม่ใช่เราถูกสอนมาอย่างนี้นะอ่านคุรานมี30สบยูแต่ที่ถูกมันอะยูสยูสอุนแปลว่าพักอ่าพักพักสวนวนสวนุรานมีสบยูมีกี่สุรา หนึ่งรสสีร่ราจากสุราแบ่งเป็นรุกวะอีกมิกรุกวะในกุรานมีรุกวะเยอะเจอตัวเห็นตัวอนนั้นนั่นคือรุกวะแล้วก็จากรุกวะแบ่งเอกเป็นอายะอัลลอฮ์ใช่ไฉะนั้นกุรานเนี่ยเราได้ประทานลงมานะเราได้แยกมันไว้อย่างชัดเจนเป็นสุราเป็นสุราเป็นอายะเป็นอายะ โอเวอร์สกเกซเวลาลงลงท้ายด้วยยังกับมูบีนาะจะลงนาะจะลงมาอัลลอฮ์ยิ่งอ่านยิ่งเพลินยิ่งอ่านยิ่งเพลินแค่แค่อะไรนะแค่ลงท้ายของมันเนี่ยแต่ละอายาอายาอายอายอัลลอฮ์พอพูดถึงเรื่องมา้าจะมีกระกระกะึกะกรกรเหมือนม้าวิ่งเลยอ่าอะไรนะวอลอัลอะไรอัลกอ้อิดอะไรอิดะ เวลอหกอดไอบอบเนี ب ب trials, ่ยเหมือนกับเสียงม้าวิ่งลล่ะคึึกคึกคอ่านยิงเพลินยิ่อ่านยิ่อร่อยนะนี่ตั้งใจอ่านกอานฉะนั้นกูอานเนี่ยแบ่งออกเป็นนะเป็นยสองเป็นซูรสเป็นรุวะเป็นอายะอัลล์อวชัดเจนเลยแล้วต่อมาอีก รีตาร์รออูเพ in right? nah ื่อมูฮัมมัดเห็นไหมอัลลอฮ์ยกย่องนบีมูฮัมมัดเพื่อมูฮัมมัดจะได้อะไรอ่านอัลลอฮน่าศีแก่มนุษย์อัลามุกซินอ่านอย่างช้าชาเห็นไหมนี่กูอ่านเนี่ยต้องอ่านแบบไหนแบบช้าชาใครสั่งอัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นเดือนอมอตอลเนี่ย มัสยิดทุกม Another, anyway? ัสยิดต้องอ่านช้าชาบางแห่งนะรู้วดเดียวหายใจเดียวเลยฮามดุลิลลาฮิรับบีน่าละมีนรามานอร์ไลมีมาเนมันอุลโลจะไีบไปไหนอ่ะก็ไี่กูอานอัลลอ์สั่งใช่ไหมอัลลมุกซินอ่านช้าชาบางแห่งอันนั้นบตารติลอ่านช้าแบบมูรตัลนั่นคุรานอ่านยัง้น เห็นยังนี่คือกุรานอธิบายชัดเจนเลยวัานาจนาตันดีแหละเราได้ประทานมันลงมาเป็นตอนตอนเป็นระยะระยะทยอยลงมาเป็นเรื่องเรื่องเพื่ออะไรเพื่อนาบีจะได้อ่านแล้วก็ท่องจําเหมือนกันวันนี้เราสอนหนังสือนรงเรียนก็นเหมือนกันเนี่ยให้หมดเลยอะไรแต่ละวันเดียวรับรั บ, รบไม่ได้ ให้ทีละเรื่องเลยทีละเรื่องทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องมึงก็จํำไหมจาเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้ปัญญามารับได้เยอะๆมึงก็รับไม่ได้สรุปกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะ AH อัลลอฮฺอัลเบตดูที่อัลลอฮ์ลงมายังไงกุรอานเล่มนี้นะเดิมอยู่บนชั้นฟ้ า, าดูข้างบนก่อนนะข้างบนก่อนกุรอานเล่มนี้อยู่บนชั้นฟ้า อยู่ที่ไหนลราหุ่มะฟูสอธิบายยังไงเราหุ่นมะฟูสเนี่ยอยู่บนที่แผ่นจารึกลราหุ่มะฟูสอยู่บนชั้นฟ้าตรงไหนไม่รู้อันที่สองจากแผ่นจารึกเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะปัดอักุรอานเนี่ยลงมาเก็บไว้ที่บ้านใบตงูงไหนจักอยู่บนชั้นฟ้าแห่งโลกดุลยาตรงไหนไม่รู้อันที่หนึ่งอยู่บนลาหุ่นมะฟูส เอามาเก็บไว้ที่ใบตูอิซ์จากใบตูไรซาเนี่ยทยอยลงมาสู่โลกดุนยาใบนี้โดยยิบรีลมามอบให้ท่านนาบีมุฮัมมัดทีละอายะทีละซูรค่อยๆทยอยลงมาเป็นระยะเวลากี่ปีนะยี่สิบสามปีมีปีมี ม, ม, มีมีเดือนอีก เพื่อนาบีจะได้อ่านมันลิตักราอาหูในตัฟซีอิบุกฟิซอธิบายอย่างนี้ลิตูบันลิกอหุนนาสเพื่อเอามาตับลีกเอามาสอนกับมนุษย์ฉะนั้นกุรานมาเนี่ยเพื่อมาสอนนะมาใช่เพื่อเอามาแขวนคอไม่ใช่ที่พวกเราทำผิดๆกันเยอะเนี่ยยอกคุรานมาใส่คอแขวนเป็นอาซิมัต อ, อัลลอ่า แต่กูอานตรงนี้อธิบายยังไงนะดีตักรออาหูให้กุอ่านมาเพื่อเอามาอ่านเพื่อนาบีจะได้เอาไปสอนเอาไปอ่านให้กับประชาชนเนี่ยได้รับรู้อั Allah Allah. ลลอฮลลอฮฺอัลลวะตัตลูอัลัยฮิมแล้วก็อ่านแบบไรแบบช้าๆมักซิ้นเนี่ยอ่านช้าๆฉะนั้นเราต้องอ่านกูอ่านแบบตัวนั้นนะช้าๆค่อยๆ อ, ยอ่าน อันติลัยสีอัยฮัมดุลิลลอฮิรบบิลอลมานอัลฮะยิมนี่อ่านชาชาอัลลอฮ์แล้วก็รู้ความหมายอัลลอฮ์คุ้ชัวอ้าวอลัยฮัมดุลิลลาอ่พี่น้องวันนี้เราด้รับความรู้เยอะนะอัยฮัมดุลิลลานี่ถ้าจาทั้งหมดนะอลัยฮัมดุลิลลอร์นี่อ่านกุรานเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะ ผมยังนึกยังกลัวอยู่นะคือเวลาตกนรกนะคนชาวนรกเนี่ยวเวลาถูกไฟร้อนเนี่ยมันก็นึกภาพดุนยานะนึกภาพดุนยาภาพดุงยาเป็นยังไงไฟพอจุดแล้วเนี่ยรออะไรรอมอดใช่ไหมรอดับนั่นภาพดุนยาแต่ทุกคนนะพอตกนรกปับ๊บ แล้วก็นึกภาพไฟกำลังลุกร้อนถูกทรมานอยู่เดี๋ยวไม่ชา้าไฟมันมอดดับไม่ใช่ปรากฏว่ายิ่งจุดยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งรอ้อนตรงกันข้ามอภิปริตเลยกับโลกดุนยาแบบนี้เห็นไหมน่ถ้านึกภาพอาร์เคโเยอะๆเนี่ยคนไม่กลา้าทาบาร์มาอา้าวเซ็ครือพุ่งเซ็กนิดนึง คนที่เข้าสวรรค์คิดภาพนึกภาพภาพสวรรค์เนี่ยอย่งางบุคคลที่แต่งงานอยู่บนโลกดุนยาไปนี่ร่วมหลับนอนกับภรยาเพียรหลับกระดุกกระเดี้ยวไม่ไหวแต่ภาพอาคิริไม่ใช่อย่างนั้นร่วมหลับนอนให้ความสุขกับภรรยากลับแรงกว่าเก่าอีกอ้าวเห็นยังกับตลลับหมดเลยในโลกดุนยากับอาคริลแต่นั้น เราอยู่บนดุนยาใบนี้นึกภาพอาคิร์ร์เยอะๆพอไปอยู่ในโลกอาคิร์ร์นึกภาพดุนยาตลอดเวลาเลยเพราะมันชินกันลงดุนยาแต่เราเนี่ยอ่านกูนอ่านเราใจมันผูกพันกับโลกอาคิร์ร์ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอิชาอัลลอฮ์จะทำให้เรานี่นหัวใจแล้นัผูกพันกับอัลลอ์สุภาณอูวาตาละนะครับารัลุมาบิฮัมดิกะชุดวลาอีลาอิลลาอนตะอัสัฟุวาตบไล สุลาม a ่าอีกุมมะ ه ับมาตุลลอฮฺ